คำถามค่ะอย่างที่ที่บอกว่าสมุติเราได้ยินเสียงตรงนั้นาะจิตเราก็ไปรู้ว่ า, ามีสิ่งตรงนั้นแล่วสมมติแล้วเหมือนนานที่ไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะคะอันนี้เรียกว่าระหว่างเรามีสติหรือเราหลงหลงหลงจากการรู้กายและรู้ใจหลงในแง่ของสติปัฏฐานไม่ใช่หลงในแง่โลก ในแง่โลกฉันรู้ว่ามีอะไรเกิดตรงนั้นเหมือนกับว่ามีสติใช่ไหมแต่มาตรฐานของสติของของพุทธศาสนาที่จะทําให้เกิดปัญญาพ้นทุกเนี่ยนะถ้าไม่ใช่รู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมเนี่ยเรียกว่าขาดสติทั้งนั้นขณะที่รู้ว่ามีเสียงจานเสียงช้อนเสียงจานเกิดขึ้นตรงนั้นเนี่ยมันไปรู้อย่างอื่นกายนั่งอยู่ตรงนี้ก็ไม่รู้ใจที่หลงอยู่ว่าไปฟังไปทํางานอยู่ตรงนั้นก็ไม่รู้ อย่างนี้เรียกว่าไม่มีสติแลวแ้วง่ายที่รู้ว่าได้ยินเสียงตรงนั้นเนี่ยจิตทํางานมีนิดเดียวสติมันสั้ น, นใช่ไหมใช่ถ้าเห็นว่าสติมันอยู่นานนะให้สงสัยตัวเองไว้ก่อนว่าผิดสติมันรู้แวบหนึ่งไอ้รู้แวบหนึงบบน่งเนะี่ยแสดงว่าสติเองเนี่ยก็เกิดดับอย่าไปทําสติแบบนานๆ น, น, นะสติแบบนานๆเนี่ยจะเป็นสติตัวปลอม ตั้งมั่นก็อย่าไปทําตั้งมั่นนานๆจะ ก, กลายเป็นตั้งมั่นปลอมๆทําเป็นขึ้ ม, มๆเคร่งๆเพ่งเอาไว้อย่างเงี้นะให้มันเผลอไปบ้างแล้วก็รู้ทันเผลอไปบ้างแล้วรู้ทันให้มันไหลไปบ้างแล้วก็รู้ทันให้มันไม่เป็นกลางนั่นแหละรู้ทันความไม่เป็นกลางไม่ต้องสร้างความเป็นกลางรู้แบบสบายๆนะรู้แล้วรู้แล้วไม่ต้องอะไรอาวรกับมัน <c ười> บางทีเราก็อยากจะดีก็เลยอะไรอาวรอยากจะประคองเอาไว้ประมาณนี้นะ ปัญหาคืออยากดีปัญหาของนักปฏิบัตินะปัญหาต่อไปคืออยากดีปัญหาของของคนที่ไม่ปฏิบัติคือหลงตลอดตอนนี้เราเริ่มมีสติขึ้นมาแล้วเนี่ยเริ่มเห็นแล้วว่าไอ้ที่หลงไปนะไม่ดีอตอนนี้นะ <S <S ก็เลยมีการให้ค่าความหลงว่าไม่ดีตอนนี้ไม่เป็นกลางอแค่รู้เฉยๆท่านั้นเองดีขึ้นมาเลยรู้ว่าเมื่อกี้หลงไปรู้ว่าเมื่อกี้ไม่ชอบรู้ว่าเมื่อกี้ไม่เป็นกลาง รู้ว่าเมื่อกี้ไหลไปอย่างงี้นะมันมีรู้ได้หลายแบบรู้แบบหนึ่งจะได้อย่างหนึ่งรู้แบบหนึ่งจะได้อย่างหนึ่งรู้ว่ามีกิเลสได้สติกิเลสมีอะไรบ้างโลภโกรธหลงฟุ้งซ่านหัวหูรู้ว่ามีความหลงรู้ว่ามีความหลงดับตอนรู้ว่ามีความหลงอะความหลงดับตรู้ว่ามีราคะแล้วราคะดับรู้อย่างนี้แล้วว่ามีสติรู้ว่าจิตไหลไป คือรู้ว่ามันไม่ตั้งมั่นตอนนั้นได้ตั้งมั่นคือได้สมาธิจิตไหลไปเนี่ยรู้ว่าจิตไหลได้สมาธิรู้ว่ามันมีความพอใจไม่พอใจคือรู้ความไม่เป็นกลางรู้ทันความไม่พอใจบ้างความพอใจบ้างตอนรู้เป็นกลางแต่เดี๋ยวก็พอใจอีกหรือไม่พอใจอีกอย่าไปรักษาความเป็นกลางเราไม่ใช่กรรมการ <laughs> ในแง่นี้นะเราดเเูเป็นแค่ผู้ดูเป็นผู้ศึกษา เราเป็นผู้ศึกษามันอยู่ในขั้นที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าเราควรจะศึกษา3มอย่างไตรสิกขาเนี่ยเราควรศึกษาเรื่องศีลเรื่องศีลก็ไม่ต้องอธิบายมากเราก็เรียนกันมานานแล้วศึกษาเรื่องจิตก็คือตอนนี้อยู่ในขั้นการศึกษาเรื่องจิตศึกษาเรื่องปัญญาแล้วก็กาลังเตรียมจิตให้มีคุณภาพพอไปเห็นความจริงและเกิดปัญญา ความจริงให้เกิดปัญญาคือเห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นว่ามันไม่ใช่เราตอนนี้เรารสึกว่าเป็นเราเรามันมันเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่มันเหมือนมีเราอยู่จริงแท้จริงแล้วเนี่ยกายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ก็ไม่ใช่เราแต่ใจเราเนี่ยใจขณะเนี่ยไม่ยอมรับอย่างรู้รู้สึกว่าเป็นเราทาไมถึงไม่ยอมรับทำไมทั้งแไม่ยอมรับรู้ไหม